เจริญพรท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจบุญใจคุสมทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่26สิงหาคมพุทธศักราช2555เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวันเพื่อมาบำเพ็ญ ตามพระธรรมคาสอนที่พระพุทธเจ้าได้สงจารไว้ว่าจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ของผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดเพราะเวลาของเราชีวิตของเราไม่แน่นอนจะสิ้นสุดเมื่อไรไม่มีใครรู้ถ้าสิ้นสุดแล้ว ก็จะไม่มีโอกาสได้ทาประโยชน์ทั้งให้กับตัวเราและแก่ผู้อื่นจนกว่าจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วถ้าไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาที่คอยเตือนคอยสอนให้ทำประโยชน์ให้กับเราและกับผู้อื่นเราก็จะไปทำประโยชน์ที่ไม่เป็นประโยชน์กับเรา คือทำประโยชน์ให้กับกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆที่เป็นอันตรายต่อความสุขของเราเพราะเราไม่รู้เราหลงคิดว่าถ้าเราได้ทําตามความอยากได้ในสิ่งที่เราโลภแล้วเราจะมีความสุขแต่ความจริงเรากลับมีความทุกข์เพิ่มมากขึ้นไป เรื่อยๆ ย, ยิ่งมีมากก็ยิ่งทุกข์มากเพราะยิ่งอยากมากยิ่งโลภมากขึ้นไปตามลาดับความโลภความอยากไม่ได้หมดไปด้วยการทำตามความโลภ ท, ทำตามความอยากแต่ต้องทาแต่ต้องฝืนความโลภความอยากถ้าฝืนความโลภได้ในแต่ละครั้งความโลภก็จะเบาลงไปเรื่อยๆ จนหมดไปได้ในที่สุดเช่นคนที่อยากจะเลิกสูบบุหรี่หรืออยากจะเลิกดื่มสุราทุกครั้งที่มีความอยากดื่มอยากสูบก็ต้องฝืนไม่ดื่มไม่สูบแล้วถ้ามีเครื่องมือที่จะช่วยผ่อนเบาความเครียดความหกรดหกิดความทรมานใจได้ก็จะอดหรือต่อสู้กับความอยากได้ อย่างง่ายดายอย่างไม่ลำบาก<ถ>คือเครื่องมือที่พระเจ้าส่งให้เราก็คือให้เราทำสมาธิกันทําใจให้สงบเวลาเกิดความอยากให้เราเข้าสมาธิกันไปพุโทโธพุโทโธกันไปอยากเพอคิดถึงสิ่งที่เราอยากถ้าเรามีสติกำลังมากพอ ที่จะเี่จะดึจิตให้อยู่กับการบริกรรมพุทโธพุทโธไปจิตเราก็จะค่อยๆสงบตัวลงไปค่อยห่างไกลจากความอยากไปเรื่อยๆจนพอจิตสงบแล้วความอยากก็จะหายไปในวาระนั้นในครั้งนั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าจะหายไปหมดแต่อย่างน้อยเราได้ฝืนความอยาก เราได้ต่อสู้กับความอยากทำให้ความอยากดื่นสุราหรือสูบบุหรี่นี้อ่อนกำลังลงไปนัดครั้งต่อไปถ้าเกิดความอยากอีกเราก็ฝืนิีกทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆต่อไปความอยากก็จะอ่อนกำลังไปแต่จะไม่หมดถ้าเราอยากจะให้ความอยากสูบบุหรี่อยาหนึ่งสุ ر ا นี้หมดไปอย่างถาวร เราต้องถอนรากถอนโคนของความอยากรากโคนของความอยากก็คือความหลงนเองความไม่เห็นโทษของการดื่มสุราการไม่เห็นโทษของการสูบบุหรี่ยังถูกความหลงหลอกให้เห็นว่าเป็นคุณเป็นประโยชน์คือคลายความเครียดคลายความหงุดหงิดลำคาญใจให้ความสุขชั่วคราว แต่อันนี้มันเป็นส่วนน้อยส่วนใหญ่มันจะเป็นความทุกข์มากกว่าเพราะเวลาอยากแล้วไม่ได้ดื่มไม่ได้สูบนี้จะทุกข์ทรมานใจมากถ้าเราใช้ปัญญาสอนใจว่าสุราหรือบุหรี่นเป็นอันตรายต่อร่างกายของเราชีวิตของเราจะสั้นลงโรคภัยไข้เจ็บจะมีมากขึ้น อันนี้เป็นเครื่องที่ยืนยันแล้วในทางการแพทย์สาเหตุของการเสี่ยงของการเป็นโรคภัยจต่างของการมีอายุสั้นก็คือการดื่มสุราและการสูบบุหรี่นเองถ้าเราอยากจะมีสุขภาพที่แข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเดือดเียนอยากจะให้มีอายุยืนยาวนาน เราจำเป็นต้องต่อสู้กับความอยากสู่บุหรี่อย่างดื่มสุราซึ่งไม่ใช่เป็นสิ่งที่ยากเย็นเลยถ้าเราฝืนไปสักไม่นานต่อไปมันก็จะหายอยากไปจะยากตอนช่วงใหม่ๆท่านเหเพราะความอยากมีกำลังมากมันก็จะรู้สึกทุกข์ทรมานแต่ถ้าเรามียา มาช่วยคือธรรมโอสถคือสติสมาธิและปัญญาเราจะ ท, ทำให้ความทุกข์ทรมานใจนี้ผ่อนคลายลงไปได้มากเวลาอยากจะดื่มชโตราคิดถึงโลกพิสุรารื้อหลังเวลาอยากจะดื่มบุรีให้นึกถึงปอดปอดที่จะเป็นมะเร็งปอดที่จะหาย หายใจเข้าออกไม่ได้เนือกจากหลอดลงอุดตันคิดอย่างนี้แล้วมันก็จะทำให้เราขยาดต่อการอยากจะสู่บุรีอยากจะดึงสุราแล้วเราก็ใช้สมาธิช่วยอย่าไปคิดถึงสุราอย่าไปคิดถึงบุรีบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปถ้าจะให้ดีก็ไปอยู่วัดที่ ไม่มีการดื่มสุราไม่มีการสูบบุหรี่พอเราคนอื่นเขาไม่ได้มีก็ไม่ได้ดื่มไม่สูบไม่มีสุราไม่มีบุหรี่ใกล้เราความอยากมันก็จะเบาบางลงไปแต่จะหายได้ก็ต้องเห็นโทษของการสูบของการดื่มถ้ายังเห็นว่ายังเป็นความสุขอยู่ยังเป็นประโยชน์กับชีวิตร่างกายอยู่ก็จะ ยังหลงอยู่เมื่อหลงอยู่ถ้ามีโอกาสได้ไปใกล้ชิดกับสุราหรือบุหรี่เช่นมีเพื่อนฝูงนำสุรานำบุหรี่มาให้ดื่มมาให้สูบหรือชวนเราไปสังสรรค์กันแล้วก็ไ่นั่งดื่มสุราสูบบุหรี่กันถ้าอยู่ใกล้ชิดกับการกระทำเหล่านี้ถ้าเรายังไม่มีปัญญา ที่จะเห็นโทษของการดื่มของการสูบเราก็จะอดที่จะดื่มที่จะสูบไม่ได้ถึงแม้ว่าเราอาจจะหยุดดื่มหยุดสูบมาเป็นเวลาหลายเดือนด้วยกันกต็ตามแต่ถ้าเรายังไม่ถอนรากถอนโคนของความอยากก็คือความหลงที่เห็นผิดเป็นชอบที่เห็นว่า สุราและบุหรี่นี้มีคุณมีประโยชน์แต่ถ้าเราเห็นว่าเป็นเหมือนยาพิษอย่างนี้เราจะไม่กล้าเข้าใกล้เราจะไม่กล้าแตะเลยเพราะเรารู้ว่ายาพิษนี้มันต้องทำลายชีวิตเราอย่างแน่นอนต่างกันตรงที่ว่าสุราบุหรี่นี้จะใช้เวลานานหน่อยเท่านั้นเองแต่พอถึงเวลานั้นแล้วมันก็เป็นเหมือน อยาพิษ ด, ดีๆนี่เองทำให้เราต้องเจ็บไข้ได้ป่วยทุกทรมานและตายไปก่อนวัยที่ควรที่จะเป็นนี่คือเรื่องของการทำประโยชน์ให้กับกิเลสตัณหาชีวิตของเราเนี่ยเราทำประโยชน์ให้สามส่วนด้วยกันส่วนหนึ่งก็คือร่างกายของเราที่เราต้องดูแล ต้องมีอาหารมียารักษาโรคมีเครื่องนุ่งหม่มมีที่อยู่อาศัยอีกส่วนหนึ่งก็คือกิเลสตัณหานี่เองคือความอยากที่จะมีความสุขกับสิ่งต่างๆมีความสุขกับคนนั้นคนนี้มีความสุขกับสิ่งนั้นสิ่งนี้อันนี้เป็นโทษกับตัวเรา ตัวเราคืออะไรตัวเราคือใจเราไม่ใช่เป็นร่างกายร่างกายนี้เป็นเพียงเครื่องมือของเราที่เราเอามาใช้ทำประโยชน์ให้กับใจหรือเอามาทาโทษให้กับใจส่วนที่สามคือใจนี้เราไม่ค่อยดูแลกันมากนะักเพราะเราไม่รู้คุณค่าของใจเราไปหลงเห็นคุณค่าของร่างกาย และคุณค่าของติเลสปัญหาความโลภความอยากได้สิ่งต่างๆอยากได้ความสุขจากสิ่งต่างๆก็เลยหมดเวลาไปกับการดูแลสองส่วนส่วนหนึ่งก็คือร่างกายนี้ไม่เป็นโทษกับเราคือเราต้องมีร่างกายที่จะเป็นเครื่องมือรับใช้ให้เราได้ทำประโยชน์ ให้กับใจของเราแต่ส่วนที่เป็นโทษก็คือความโลกความอยากต่างๆกิเลสตัณหานี้เป็นโทษกับร่างกายและเป็นโทษกับจิตใจดังที่ได้ยกตัวอย่างให้ฟังคือความอยากดื่มสุราอยากสูบุหรีเป็นโทษทั้งทางร่างกายและเป็นโทษทั้งทางจิตใจเพราะทำให้จิตใจทุกข์ทรมาน ดังนั้นเราต้องพยายามยุติการทําประโยชน์ให้กับกิเลสตัณหาแล้วพุ่งมาที่การทําประโยชน์ให้กับร่างกายและจิตใจร่างกายนี้มีความสําคัญเพียงหนึ่งในสิบเท่านั้นเองหรือ 10% ส่ว น, นส่วนจิตใจนี้มีความสําคัญถึง 90% ซ์ด้วยกันเพราะจิตใจ ไม่มีวันตายร่างกายนี้มีวันตายได้และความสุขที่ได้จากร่างกายนี้ก็มีประมาณเพียงร้อยละสิเท่านั้นเองต่อให้เป็นมหาเศรษฐีเป็นประธานาธิบดีเป็นนายกรักทนตรีความสุขที่จะได้รับจากทางร่างกายก็ไม่มากไปกว่าคนขอทางที่จะได้รับ เป็นความสุขที่ได้รับจากการรับประทานอาหารจะรับประทานอาหารมื้อละหมื่นหรือรับประทานอาหารมื้อละห้าสิบบาทมันก็อิ่มเหมือนกันได้ความสุขเท่ากันจะใส่เสื้อผ้าชุดละหมื่นหรือใส่เสื้อผ้าชุดละร้อยมันก็ทำหน้าที่ปกป้องร่างกายได้เท่ากันอยู่บ้านหลังละร้อยล้านหรือเชาาบ้านเขาอยู่ มันก็เป็นที่หลบแดดหลบฝนได้เหมือนกันมีความสุขได้เท่ากันดังนั้นขอให้เราอย่าไปหลงกับการดูแลร่างกายของเรามากเกินไปทำให้เราเสียเวลาไม่มีเวลาที่จะมาดูแลรักษาใจของเรา ที่จะให้ความสุขกับเราถึงร้อยละก้าสิด้วยกันดังนั้นเราควรที่จะอยู่แบบเรียบง่ายอย่าฟุ้งเฟ้ออย่ารูหราอย่าฟุ่มเฟือยอันนี้ไม่ได้ทำให้เกิดความสุขทางร่างกายมากไปกว่าคนที่อยู่แบบเรียบง่ายอยู่แบบมักน้อยสันโดษร่างกายได้รับการดูแลเท่าเทียมกัน แต่ถ้าเราดูแลแบบฟุ้ ง, ฟงเฟ้อฟฟ อ, อันนี้ก็จะเป็นการดูแลติเลสตัณหาความโลภความอยากนั่นเองก็จะทำให้เป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจของเราใจของเราก็จะต้องคอยวุ่นวายคอยหาสิ่งต่างๆมาบำลงบำเลอร่างกายเรา จนไม่มีเวลามเวลาที่จะมาดูแลจิตใจของเราดังนั้นขอให้เรามองเห็นว่าร่างกายนี้ต่อให้ดูแลดีขนาดไหนก็ตามในที่สุดมันก็ต้องตายไปอายุ80 90ก็ต้องตายไปแล้วแต่ใจนี้ไม่ตายไม่แก่ไปกับร่างกาย แต่ใจกลับต้องไปทุกขกับการห่วงใ่ดูแลรักษาร่างกายที่จะต้องแก่จะต้องตายไปในที่สุดดังนั้นขอให้เราดูแลร่างกายตามอัตภาพตามความจำเป็นก็พอร่างกายต้องการอาหารก็รับประทานอาหารธรรมดาอย่าไปเสียเงินเสียทองไปรับประทานตามพัฒการหรูห ร, ราไปพั รับประทานอาหารตามโรงแรมอันนี้รับประทานเข้าไปแล้วมันก็อิ่มเหมือนกันเสื้อผ้าก็ไม่ต้องไปซื้อเสื้อผ้าชุดราคาแพงๆใส่ชุดธรรมดาซื้อตามตลาดนั้นี้ก็ใส่แล้วก็ดูดีเหมือนกันคนเราจะดีหรือไม่ดีไม่ได้อยู่ที่เสื้อผ้าแต่อยู่ที่ใจว่ามีความซื่อสัตย์สุดจริตหรือไม่ มีความเมตตากรุณาหรือไม่อันนี้คือความสวยงามของคนสวยที่ใจสวยด้วยคุณธรรมร่างกายนี้ต่อให้แต่งกายสวยงามขนาดไหนถ้าใจไม่สวยแล้วก็จะไม่ประทับใจผู้ใดอยู่ใกล้คนที่ใจใจไม่งามงามแต่กายนี้ความงามของร่างกายก็จะจืดชืดไปใหม่ๆอาจจะดีอยู่ ใครเห็นใครก็อาจจะติดอกติดใจชื่นชมแต่พอได้อยู่ใกล้ชิดแล้วได้เห็นนิสัยที่ไม่ดีอันนี้ก็จะทำให้ความงามของร่างกายนี้หมดคุณค่าไปไม่มีความหมายไปแต่คนที่ไม่ได้งามทางกายแต่งามทางใจนี้ใหม่ๆอาจจะไม่อยากจะเข้าใกล้ แต่ถ้าได้มีโอกาสได้ใกล้ชิดได้รู้จักต่อไปก็จะชื่นชมยินดีถึงแม้ว่าทางร่างกายจะไม่สวยงามแต่จิตใจนี้สวยงามก็จะชนะใจคนได้ชนะใจคนด้วยความสวยงามของใจดังนั้นถ้าเราอยากจะสวยงามก็ควรที่จะสวยทั้งสองส่วน ร่างกายก็สวยก็ไม่เสียหายอะไรแต่อย่าให้มันเกินขอบเขตไปจนถึงกับต้องไปทำอะไรที่มันผิดธรรมชาติเช่นไปทำสัญญกรรมตกแต่งอะไรต่างๆเหล่านี้หรือเสียเงินเสียทองซื้อเสื้อผ้าที่มีราคาแพงๆเกินกว่าที่เราจะซื้อมาได้มันก็จะทำให้เรา กลายเป็นคนมีหนี้มีสินไปได้เพราะเราจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินเพื่อที่จะมาซื้อของแพงๆไม่สวนใสงั้นก็ขอให้เรารู้จักประมาณในการบริโภคปัจจัยสี่ให้รู้จักฐานะของเราว่าเรามีมากมีน้อยมีน้อยก็ต้องใช้น้อยคืออย่าใช้มากกว่าที่เรามีแล้วต้อง มีส่วนที่เก็บเอาไว้สำรองในเวลาที่เราตกทุกข์ได้ยากตกงานเศรษฐกิจตกต่ำเราจะได้มีทุนสำรองไว้คอยดูแลเราเสื้อผ้าที่เราซื้อมาด้วยราคาแพงๆนี้เวลาขายนี่จะขายไม่ได้ราคาซื้อมาร้อยซื้อมาหมื่นจะขายได้เพียงพันเดียวสู้เก็บเงินเอาไว้ดีกว่า ซื้อเสื้อผ้าชุดละพันใส่เรามีเงิน900าเก็บเอาไว้เผื่อวันข้างหน้าเราตกทุกขได้ยากตกงานตกการเราจะได้อาศัยเงินทองที่เราเก็บเอาไว้หรือถ้าไม้ฉะนั้นเราก็จะได้มาวัดมาทาบุญมาปฏิบัติธรรมมาทำประโยชน์ให้กับตัวของเราอย่างแท้จริงการมาวัดนี่แหละเป็นการมาทำประโยชน์ให้กับใจอย่างแท้จริง ใจต้องการอะไรใจต้องการบุญใจต้องการกุศลบุญก็เกิดจากการทําบุญให้ทานจากการรักษาศีลกุศลก็เกิดจากการฟังเทศฟังธรรมเกิดจากการปฏิบัติ <c oughs> วิปัสสนาคําว่ากุศลนี้แปลว่าฉลาดเราต้องการความฉลาดเราก็ต้องมีความรู้ ความรู้ที่ถูกต้องตามความเป็นจริงตอนนี้เราไม่ฉลาดเพราะเรามีความรู้ที่ไม่ถูกกับความจริงเราเห็นกับตาลระปัดเห็นกงจักเป็นดอกบัวเห็นทุกข์ว่าเป็นสุขเช่นการดื่มสุราการสูบุเรนีเป็นความทุกข์แต่เราเห็นว่าเป็นความสุขเพราะเราขาดปัญญา ก, กุศลเราไม่ได้ฟังเทศน์ฟังธรรมกันบ่อยเราไม่ศึกษาคาสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นคำสอนที่เลิศที่ประเสริฐที่จะทำให้เรานี้เป็นผู้ฉลาดเป็นผู้รู้ทันโลกรู้ทันทุกสิ่งทุกอย่างรู้ทันกิเลสรู้ทันความหลงทำให้เรานี้จะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข จะไม่มีปัญหาเลยเพราะปัญหาของเรานี้เกิดจากความหลงของเราเองเราหลงแล้วเราก็ไปเกิดความอยากอยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอเขาไม่เป็นอย่างที่เราอยากเราก็เกิดความทุกข์ใจเกิดความทรมานใจเกิดปัญหาขึ้นมานี่คือ เรื่องของการทำประโยชน์ให้กับเราเราควรที่จะทำบุญละบาแล้วก็ชำระความหลงให้หายไปจากใจด้วยการเจริญปัญญาปัญญานี่มีอยู่สามขั้นด้วยกันขั้นแรกก็คือการศึกษาเรียกว่าการได้ยินได้ฟังภาษาพระเรียกว่าสุตมยะปัญญา ปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังเช่นตอนนี้ญาโยมกำลังเจริญสุตะมัยปัญญากำลังได้ยินธรรมะคำสอนของพระพุทธเจา้าเป็นคำสอนที่เรามักจะไม่ค่อยได้ยินกันหรือว่าถ้าเราเคยได้ยินแล้วเมื่อเราได้ฟังใหม่อีกก็จะทําให้เราเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปทําให้เรากําจัดความสงสัยได้ ทำให้จิตใจของเราเบิกบานมีความสุดทําให้เรามีความเห็นที่ถูกต้องเช่นวันนี้เราเห็นแล้วว่าการดื่มสุราการสูบบุหรี่นี้เป็นโทษเป็นทุกข์ไม่เป็นคุณไม่เป็นสุขนี่คือการฟังเทศฟังธรรมเรียกว่าสุตตะมายาปัญญาเป็นปัญญาขั้นต้น ทัานที่สองก็เรียกว่าจินตามายาปัญญาคือปัญญาที่เกิดจากการค่อยรคิดอยู่เรื่อยๆเช่นเราได้ยินได้ฟังอะไรในวันนี้เราก็เอาไปคิดต่อเราอย่าหยุดถ้าเราไม่คิดเดี๋ยวเราไปทาเราไปคิดเรื่องอื่นเรื่องที่เราได้ยินได้ฟังในวันนี้ก็จะถูกกลบไปหมดแล้วเราก็จะลืมไปหรือจำไม่ได้ ว่าได้มาฟังเทศฟังธรรมเรื่องอะไรบ้างวันนี้ถ้าเราฟังแล้วเราเห็นว่าอะไรเป็นคุณเป็นประโยชน์ที่ประทับใจเราก็ควรที่จะเอาไปคิดต่อเรียกว่าเอาไปพิจารณาอยู่เรื่อมเนื่องเช่นผู้เจ้าทรงสอนว่าเราเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาล่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้ อันนี้เราฟังจากพระพุทธเจ้าแล้วเราก็ต้องเอามาเจริญต่อเอามาพิจารณาต่ออย่างเนืองเนืองเนืองเนืองก็คืออย่างต่อเนื่องไม่ให้ห่างไกลจากใจจนกว่ามันจะฝังอยู่ในใจจนกว่าเราจะไม่หลนไม่ลืมทุกครั้งเราทำอะไรเราจะคิดเสมอว่าเราต้องแก่เราต้องเจ็บเราต้องตายเนี่ยถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วความโลภความหลตงต่างๆนี้ มันจะอ่อกกำลังลงไปพอเราอยากจะร่อมอยากจะรวยพอเราคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายขึ้นมาเราก็จะไม่อยากจะรวยแล้วรวยไปก็เอาไปไม่ได้เวลาตายไปเรากลับอยากจะมีสุขภาพที่สมบูรณ์อยากจะมีอายุยืนยาวนานเราก็จะไม่ดื่มสุราไม่สูบบุหรี่อันนี้เรียกว่าจินตามยปัญญา แต่ก็ยังไม่สามารถที่จะทําลายความหลงให้ได้อย่างถาวรบางครั้งเรารู้ว่าสูบบุหรี่ไม่ดีดื่มสุราไม่ดีแต่พอถึงเวลาที่อยากจะดื่มอยากจะสูบเราก็สู้ความอยากไม่ได้ทั้งๆ ท, ที่เรารู้อยู่เพราะว่าเรายังไม่มีปัญญาขั้นที่สามปัญญาขั้นที่สามนี่แหละจะเป็นปัญญา ที่สามารถหยุดความอยากได้อย่างถาวรก็คือปัญญาที่เกิดจากการภาวนานี่เรียกว่าภาวนาไมยปัญญาปัญญาที่จะเกิดจากภาวนานี้ก็ต้องเจริญสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาขั้นต้นต้องเจริญสมถะภาวนาก่อนคือต้องทำใจให้นิ่งให้สงบก่อนพอเวลาใจนิ่งใจสงบแล้ว ใจจะมีความสุขใจจะมีความอิ่มพอออกจากความสงบเวลาเกิดความอยากดื่มสุราลือสูตบุหรี่เราก็จะมีความอิ่ม น, นี้คอยตั้งเอาไว้ทำให้ความอยากดื่มสุราสูบบุหรี่นี้ไม่รุนแรงพอที่จะให้เรามีเวลาได้ใช้วิปัสสนาคือให้พิจารณาให้เห็นโทษ บุหรี่และสุราพอเราพิจารณาด้วยปัญญาด้วยวิปัสสนาเห็นความจริงแล้วว่าการดื่มสุราการสูบบุหรีน่นี้เป็นอันตรายต่อชีวิตและจิตใจของเราเราก็จะหยุดดื่มได้เราก็กลับเข้าไปในสมาธิได้เพราะเรามีความสงบเป็นพื้นฐานอยู่แล้วการจะเจริญปัญญาขั้นนี้คือภาวนามายปัญญา จึงต้องมีสมาธิความสงบเป็นเครื่องสนับสนุนถ้ายังไม่มีสมาธิก็จะเป็นปัญญาระดับที่สองเรียกว่าจินตาไมยะปัญญารู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรดีอะไรชั่วแต่เวลาเกิดความอยากไม่มีกำลังที่จะหยุดความอยากได้เพราะไม่มีความสงบไม่มีสมาธินั่นเองเวลาเรานั่งสมาธิแล้วจิตสงบนี้ใจจะนิ่ง ถ้าเป็นรถยนต์ก็เหมือนรถจอดอยู่เฉยๆไม่สามารถวิ่งไปไหนมาไหนได้ถ้ารถวิ่งไปไหนมาไหนได้มันก็จะไปทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาได้เช่นคนขับเมาแล้วขับอย่างนี้รถวิ่งไปเดี๋ยวรถก็จะต้องไปชนเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแต่ถ้าหยุดรถได้ดับเครื่องได้คนขับจะมเมาขนาดไหนก็จะไม่เป็นปัญหา เพราะไม่สามารถเอารถวิ่งไปขับไปชนผู้อื่นได้นั่นเองใจของเราถ้าหยุดใจให้สงบได้กิเลสตัณหาจะมีกำลังมากน้อยเพียงไงก็จะไม่สามารถผลักดันจิตใจของเราให้ไปอยากดื่มสุราอยากสูบบุหรี่ได้แล้วพอเราใช้ปัญญาพิจารณาว่าการดื่มสุราการเสพการสูบบุหรี่นี้เป็นอันตรายต่อ ชีวิตและจิตใจของเราเราก็จะเลิกได้อย่างถาวรอันนี้ต้องเลิกได้ด้วยปัญญาขั้นที่สาเรียกว่าภาวนาไมายัปัญญาพวกเรานี้ตอนนี้ส่วนใหญ่ก็จะมีปัญญาสองขั้นแรกคือสุตตไมยักปัญญาปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังธรรมแล้วก็มีขั้นที่สองก็คือปัญญาที่เกิดจากการคิดไข้ควร แต่ปัญญาทั้งสองท่านนี้ยังไม่มีกําลังพอที่จะทําให้เราสามารถหยุดความอยากได้หยุดความอยากดื่มสุราสูรบุรีได้เราต้องใช้ปัญญาท่านที่สามเราต้องฝึกนั่งสมาธิทำใจให้สงบเมื่อใจสงบแล้วเราสอนใจให้เห็นโทษของสุราและบุรีแล้วเราก็จะสามารถ เลิกได้อย่างถาวงต่อไปเราเห็นคนดื่มจุราสูบุเรีเราจะรู้สึกเฉยเฉยไม่มีความรู้สึกอะไรภายในใจเลยนี่คือปัญญาลึกุศลที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรามาเจริญกันเพราะจะเป็นประโยชน์กับจิตใจของเราอย่างยิ่งจะทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ จะทำให้เราพบกับความสุขที่ถาวรทำให้เราไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายมาพัดพลาดจากบุคคลต่างๆจากสิ่งต่างๆอีกต่อไปเรียกว่ากุศลคือปัญญาเมื่อเราทำประโยชน์ของเราได้แล้วเราก็จะได้ทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นต่อไปถ้าเรายังไม่ตายไปเสียก่อน เช่นพระพุทธเจ้าหลังจากที่ได้ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในวัเนเพ็ญเดือนหแล้วได้มีกุศลอยู่เต็มพระทัยของพระองค์แล้วสามารถหยุดความอยากต่างๆได้หมดแล้วพระองค์ก็ใช้เวลาที่เหลืออยู่มาทําประโยชน์ให้แก่ผู้มาสั่งสอนสัตว์โลกภารกิจของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าพุทธกิจนี้มีอยู่5ประการด้วยกันคือหนึ่งตอนบ่าย จะสั่งสอนญาติโยาามคารวะญาติโยมตอนค่ำจะสอนพระภิกษุสัมมนเนยตอนดึกจะสั่งสอนเทวดาและตอนก่อนจะออกบินตบาบจะสรงเรียญาณว่าม น, นี้จะไปสั่งสอนใครที่เหมาะที่สามารถรับคำสอนได้รับประโยชน์จากคำสอนก็จะส่งนุ่งไปสอนบุคคล น, นั้น ส่วกิจข้อที่5ก็คือทรงออกบินทบาทโกรธัไปบินทบาทเพื่อมาเล่งชีพของพระองค์นี่คือเป็นกิจที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญตลอดเวลาจนไม่สามารถที่จะบำเพ็ญได้คือเวลาที่ร่างกายแก่ลงเจ็บท่าได้ป่วยเท่านั้นแต่ถ้าเวลาใดที่ยังทํากิจเหล่านี้ได้อยู่พระองค์ก็จะทรงทํำต่อไป ด้วยความกรุณาความสงสารเห็นพวกเรานี้ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดยังต้องจมอยู่ในกองทุกข์ด้วยอํงงานาจของความหลงของอกุศลพระองค์ก็ทรงพยายามที่จะเอากุศลมาแจากจ่ายให้แก่พวกเราผู้ที่ได้รับประโยชน์จากกุศลคําสอนของพระตเจ้านี้ก็มีเป็นจํานวนมากและมีมาจนถึงยุคปัจจุบันนี้ เวลาผ่านมาแล้ว 2,500 กว่าปีด้วยกันแต่ประโยชน์ของคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ยังยังประโยชน์ให้แก่ผู้ที่มีจิตศรัทธาที่จะศึกษาและปฏิบัติตามอยู่ดังนั้นพวกเราอย่าปล่อยให้โอกาสอันดีกามนี้ผ่านไปโดยไม่ได้รับประโยชน์จากพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะจะเป็นโอกาส ที่นานๆจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งการที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี้ก็เป็นของยากการที่ได้ปรากฏของพระพุทธศาสนานี้ก็ยิ่งเป็นของยากใหญ่แต่ตอนนี้เราได้พบทั้งสองส่วนเราได้เป็นมนุษย์และได้พบกับพระพุทธศาสนาเรามีโอกาสที่จะยังประโยชน์ให้แก่เจ ต, ตัวเราได้อย่างเต็มที่เรามีโอกาสเป็นเหมือนกับพระพุทธเจ้าและพระ อาหารทั้งหลายได้ถ้าโอกาสหน้าถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาเราจะไม่มีโอกาสต่อให้เราทําบุุกิจกี่ร้อยกี่ล้านปีก็เราก็จะไม่มีวันที่จะยังประโยชน์สำเด็กประโยชน์ได้เหมือนกับการที่เราได้พบคาสอนของพระพุทธเจ้าดัางนั้นขอให้พวกเราจงพยายามขวนขวายสร้างบุญสร้างกุศลสร้างประโยชน์ให้กับตัวเรา และแก่ผู้อื่นที่จะตามมาต่อไปนี้ด้วยการเข้าวัดมาทำบุญละบาทมาชำระใจของเราให้สะอาดด้วยการปฏิบัติธรรมฟังเทศฟังธรรมกันแล้วประโยชน์สุดที่พวกเราทั้งหลายปรารถนาก็จะเป็นผลที่จะตามมาต่อไปอย่างแน่นอนการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้